ได้พากันเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้แก่ลูกชายคนเดียวของพวกเขาที่มีอายุเพียงสิบขวบเท่านั้นและเมื่อถึงวันปีใหม่น้องอาร์มก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อให้แม่ของเขาช่วยกันแต่งเนื้อแต่งตัวให้ชุดใหม่ของน้องอาร์มเป็นชุดที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเขาดีใจมากที่ได้สวมกางเกงขายาวยาวตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายอย่างดีสีน้ําเงินเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวสะอาดติดกระดุมที่ข้อมือทั้งสองข้าง ก็ทำให้เขาตื่นเต้นมากเพราะเขาไม่เคยสวมเสื้อผ้าลักษณะนี้มาก่อนลูกจ๊ะติดกระดุมเสื้อผ้าทุกเม็ดแล้วใช่ไหมเสียงของแม่ยุย้ยได้ถามน้องอามไปมันดีสิแม่จะผูกขู ก, กระต่ายให้ว่าแล้วผู้เป็นแม่ก็เป็นจงผูกขู ก, กระต่ายอันเล็กๆสีแดงสดทําด้วยผ้าไหมให้แก่ลูกชายของตนแล้วนางก็ขยับถอยหลังไปประมาณ2 3ก้าวเพื่อพิจารณาดูลูกชายที่เคยแต่สวมเสื้อผ้าเก่าๆมอมแแมมอยู่เกือบตลอดปี ดูลูกสิวันนี้ลูกของแม่ดูหล่าๆและดูเป็นหนุ่มขึ้นมากเลยทีเดียวพ่อจ้ะพ่อออกมาข้างนอกหน่อยสิมาดูลูกของเราสิจ้ะเตี่ยชาวนาบิดาของเขาจึงเดินออกมาดูลูกชายเขายิ้มแล้วก็ยื่นของสิ่งหนึ่งให้กับอามลูกของเขาอามเอ๋ยปีใหม่นี้ลูกก็มีอายุย่างสิบขวบแล้วพ่อมีของขวัญปีใหม่จะให้ชิ้นหนึ่งนะลูกเป็นสิ่งของที่มีความสําคัญมากสําหรับครอบครัวของเรา และก็มีค่ามากสําหรับพ่อเพราะว่าของขวัญชิ้นนี้แม่ของลูกเป็นคนซื้อให้พ่อโดยมันครบรอบปีแรกที่เราได้แต่งงานกันต่อไปนี้พ่อจะมอบให้ลูกเป็นคนรักษาของขวัญชิ้นนี้ต่อไปนะว่าแล้วชาวนาเตียก็ยื่นของขวัญใส่มือน้อยๆของน้องอามลูกชายน้องอามนั้นตื่นเต้นและดีใจเป็นยิ่งนักที่พบว่าของในมือของเขาที่แท้เป็นนาฬิกาเดือน เ, นเงินที่มีสายสร้อยคล้องอยู่ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่ผมอยากได้นาฬิกามานานแล้ว เพื่อนๆที่โรงเรียนก็มีนาฬิกากันหมดทุกคนเลยครับจากนั้นน้องอามก็เก็บนาฬิกาพกใส่กเกงๆและก็สวมรองเท้าใหม่ทั้งผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยดูดีเมื่อออกไปเล่นกับเพื่อนๆก็ต้องระวังตัวให้ดีนะอย่าให้เสื้อผ้าชุดใหม่เปื้อนระวังนาฬิกาหายด้วยเดี๋ยวพ่อกับแม่จะออกไปรับลุงมาที่บ้านและตอนค่ำเราจะต้องไปร่วมงานเลี้ยงฉลองที่บ้านของท่านเศรษฐีเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ต้องให้ลูกดูเรียบร้อยและสะอาดมากที่สุด เหมือนตอนนี้เข้าใจไหมผู้เป็นพ่อได้สั่งอย่างเป็นห่วงน้องอามพยักหน้ารับคําและบอกว่าเข้าใจครับพ่อผมจะระวังให้ดีที่สุดถึงอย่างนั้นน้องอามก็ต้องออกจากบ้านเพราะเขาตั้งใจที่จะไปหาเพื่อนที่เป็นลูกของชาวไร่เขาพูดเพื่อหวังจะอวดเสื้อผ้าและชุดใหม่ของเขาด้วยเพราะปกติแล้วเขามีแต่กางเกงขาสั้นที่สุกระปรงมอมแมมตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างเนื่องจากทั้งหมดนั้นเป็นของบริจาคที่บ้านของท่านเศรษฐีให้มา เพราะเป็นเสื้อผ้าเก่าที่เขาใส่มาแล้วถึง2อถึงสปีเขาเคยมีแต่รองเท้าแตะและรองเท้านักเรียนเท่านั้นแต่วันนี้น้องอามมีรองเท้าคู่ใหม่กับเกลนเกลขา ย, ยาวสีน้ําเงินและเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวสวยงามแถมด้วยหูกระต่ายสีแดงสดอีกด้วยเขารู้สึกว่าตัวเองช่างหล่อเหลาพึงพายและสง่างามราวกับลูกชายคนโตของบ้านท่านเศรษฐีแห่งตําบล น, นี้ก็ไม่ปาดแต่น้องอามก็ผิดหวังมากที่เพื่อนของเขาไม่อยู่ เพราะแม่ของเพื่อนพากันไปซื้อของที่ตลาดในเมืองน้องอามจึงเดินเล่นไปถึงริมแม่น้ําด้วยคิดว่าจะมีเด็กคนอื่นๆที่จะเล่นอยู่แถวนั้นบ้างไหมเหมือนอย่างเคยและน้องอามก็สมหวังเพราะมีเด็กหญิงและเด็กชายที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ในหมู่บ้านนั้นออกมาเล่นก่อกองทราย5้าคนขณะที่น้องอามกําลังจะเดินเข้าไปทักทายเด็กกลุ่ม น, นั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงของเด็กผู้หญิงร้องไกลๆอย่างตื่นตระหนกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย น้องอามและเด็กอื่นๆพากันเหลียวซ้ายแหลกขวาและในที่สุดทุกคนก็วิ่งไปที่ดินแม่น้ําเมื่อเห็นมือน้อยๆสีขาวๆของเด็กคนหนึ่งกําลังโบกไปมาขอความช่วยเหลืออยู่ที่กลางแม่น้ํามีเด็กจมน้ํามีเด็กจมน้ําเด็กทั้งหลายอุทานพร้อมกันอย่างตื่นตกใจน้องอามรีบวิ่งขึ้นไปที่กลางสะพานและก็ก้มลงไปในแม่น้ำเขาพบว่ามีเด็กคนหนึ่งกําลังจะจมน้ําเพราะว่ายน้าไม่เป็นเด็กอื่นๆก็วิ่งไปที่สะพานต่างคนต่างมีท่าทีตกอกตกใจไม่น้อย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีฉันจะวิ่งไปตามผู้ใหญ่มาช่วยเด็กคนหนึ่งเ อ, อ่ยขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกไปเด็กผู้หญิงได้แม่น้ําค่อยๆจมหายลงไปจมหายลงไปไม่สามารถที่จะดิ้นทุรุทุรายและก็ชูมือพร้อมขอความช่วยเหลือได้อีกต่อไปน้องอามจึงตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ําทันทีน้องอามนั้นว่ายน้ําเก่งมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจึงสามารถพยุงร่างของเด็กผู้หญิงตัว เ, เล็กๆไว้ได้และก็ค่อยๆว่ายน้ําพาเข้าฝัง่งอย่างทุรักทุเล ซึ่งเวลานั้นก็มีผู้ใหญ่2อถึงสคนวิ่งมาพอดีที่ริมน้ําพวกผู้ใหญ่ตรงก็ไปช่วยน้องอามและเด็กผู้หญิงตัวน้อยซึ่งกําลังสําลักน้ําและสะอึกสะอื้นลําให้ดูความตื่นตกใจเก่งมากเก่งมากเธอชื่ออะไรพอหนูผู้ใหญ่คนหนึ่งถามขึ้นแต่น้องอามซึ่งก้มดูเสื้อผ้าอันปีกปอนของตัวเองรีบสายหน้าและบอกจากนวลลานว่าอย่าบอกใครนะครับอย่าบอกใครนะครับว่าผมกระโดดลงไปในน้า นี่เป็นเสื้อผ้าชุดใหม่ที่พ่อกับแม่พิซื้อให้ผมแต่มันเปียกโชกหมดแล้วค่ำนี้ผมต้องไปงานสำคัญของพ่อกับแม่ด้วยผมจะต้องถูกดูแน่ๆอย่าบอกใครนะครับอย่าบอกใครนะครับว่าเป็นผมว่าแล้วน้องอามก็รีบวิ่งหนีกลับบ้านทันทีพวกผู้ใหญ่จะพยายามล้างตัวไว้เพื่อไถ่าถามแต่ก็ไม่เป็นผลและไม่ทันเสแล้วเพราะน้องอามนั้นได้วิ่งหนีผ่าออกไปอย่างรวดเร็วคนเหล่านั้นจึงต้องรีบกลับไปดูแลเด็กน้อยที่ตกน้ำทั้นแล้วกลับมาถึงบ้าน น้องอามรีบถอดเสื้อผ้าออกด้วยความกระวนกระวายร้อนอกร้อนใจเป็นอย่างยิ่งเวลานั้นพ่อกับแม่ออกไปจากบ้านแล้วเขารีบนำเสื้อผ้ารองเท้าและถุงเท้าออกไปผึ่งแดดที่พอจะมีเหลืออยู่แล้วก็เฝ้ารอให้เสื้อผ้าแห้งอย่างจะจดใจจอ่อและเป็นทุกข์อย่างหนักน้องอามเป็นกังวลใจอยู่จนกระทั่งแดดเริ่มจางหายไปในที่สุดเสื้อผ้าก็ยังไม่แห้งแต่ก็พอหมาดๆพอใช้ได้น้องอามจึงหยิบเสื้อผ้ามาสวมใส่แล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยดังเดิม ขณะที่ถอนหายใจอย่างโล่งอกล่งใจไปส่วนหนึ่งแต่เมื่อน้องอามล้มมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเขาก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่านาฬิกาที่พ่อได้ให้หายไปแล้วน้องอามพบว่านาฬิกาเรือนเงินของเก่าแก่ที่พ่อและแม่มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นั้นได้ตกน้ําหายไปซะแล้วน้องอามเป็นทุกข์ใจจนแทบอยากจะร่ําไห้ออกมาและเขาก็อดกลั้นเอาไว้จนกระทั่งพ่อกับแม่พาลุงมาถึงบ้านเขาก็ยิ่งมรู้สึกไม่สบายใจมาก ด้วยกลัวว่าพ่อกับแม่จะสังเกตเห็นเสื้อผ้าที่ยับยุ่ยี้ของเขาและจะถามถึงนาเดกาขึ้นมาไหนไหนมาหาลุงสิโอ้โหวันนี้แต่งตัวรอจังลุงมีของขวัญมาฝากจะด้วยนล้านรักลุงยื่นกล่องของขวัญกล่องโตสีฟ้าให้พลางพยักหน้าเรียกน้องอามเข้าไปหาน้องอามยืนอ้ำอึ้งอยู่กับที่ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆด้วยกลัวว่าพวกผู้ใหญ่จะเห็นเสื้อผ้าที่ยังไม่แห้งดีไปหาลุงสิจะ แม่ยุ้กล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจนักเพราะแปลกใจในท่าทีมีรับลมคมในของตัวน้องอามในที่สุดน้องอามจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆลุงเพื่อรับของขวัญกล่องโตนั้นและน้องอามก็แทบจะหยุดหายใจเมื่อลุงของเขาวางมืออันใหญ่โตมาที่บ่าของเขาและตบเบาๆจากนั้นก็มีท่าทีชะงักไปนิดหนึ่งด้วยเพราะรู้ถึงความผิดปกติของเสื้อกับผ้าที่ลานรักสวมอยู่ขณะนั้นผู้เป็นแม่เอ่ยขึ้นว่าเอาของขวัญที่พ่อให้ไปเมื่อเช้านี้มาอวดคุณลุงสิลูป คำพูดนี้ทำให้น้องอามแทบจะกตั้นใจตา ย, ตายน้องอามอึกอักอ้อึ้งอยู่สักครู่ก็เริ่มมีน้ำตาคลอมาเต็มเบ้าตานาฬิกาอยู่ไหนเอานาฬิกามาสิลูกพอเตียถามด้วยเสียงเข้มในที่สุดน้องอามจิงสะอึกสะอื้นและตอบว่านาฬิกาผมทำนาฬิกาหายครับผู้เป็นแม่ถึงกระผุดลุกขึ้นยืนพางตาวาดด้วยน้าเสียงสูงอย่างแทบไม่น่าเชื่อว่าอะไรนาฬิกาหาย ลูกทํานาฬิกาหายไปได้ยังไงนาฬิกาหายที่ไหนบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะน้องอามตกใจม่กล้าตอบคําถามของแม่แต่อย่างใดผู้เป็นลุงจึงลุกขึ้นยืนและบอกว่าเอาละเอาละใจเย็นๆไว้ก่อนเมื่อตอนที่เราเดินทางผ่านแม่น้ํามานั้นบรรดาพวกชาวบ้านก็กล่าวขวัญถึงเด็กผู้กล้าหาญที่กระโดดลงไปช่วยเหลือหลานสาวคุณเล็กของท่านเศรษฐีที่เพิ่งจะอายุหกขวบเท่านั้นพวกชาวบ้านว่ากันว่าเด็กคนนั้นกล้าหาญมาก เป็นเด็กชายตัวผอมๆเล็กๆ เ, เท่านั้นเองแต่ก็มีความกล้ า, าหาญและมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากพวกเขาพากันถามชื่อแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ตอบได้แต่ ว, วิ่งหนีจากมาหลานดักเอ้ยจงบอกลุงซิว่าวีรบุรุษน้อยๆที่ชาวบ้านกล่าวขวัถึงนั้นคือหลานดักคนนี้ใช่หรือไม่น้องอามประหลาดใจนักที่ลุงเอ๋ยถามเช่นนั้นแต่เขาก็พยักหน้าชา้ชาๆพร้อมก้มหน้านิ่งไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตาพ่อกับแม่ ยูย้ยและเตี๋ยสามีภรรยาหันหน้า ม, มาสบตากันและยุย้ยผู้เป็นแม่กระตรงเข้าไปกอดจูบลูกน้อยของตนพรางกล่าวอย่างดีใจว่าดูสิเสื้อผ้าของลูกยังเปียกอยู่เลยที่แท้ลูกเองก็คือเด็กชายผู้กล้าหาญคือวีรบุรุษน้อ ย, อยที่ยอมเสี่ยงชีวิตกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ตกน้ำจนกระทั่งทํานาฬิกาอันเป็นของมีค่าสําคัญหายไปน้องอามเริ่มร้องไห้เบาๆแต่ในขณะนั้น พ่อของเขาก็ได้เดินเข้ามาหาและรูปศรีรษะของเขาพลางบอกว่าอย่าวิตกไปเลยลูกเอ้ยถึงนาฬิกาเดือนนั้นจะมีคุณค่าทางใจต่อพ่อและแม่มากขนาดไหนแต่มันก็ไม่สําคัญเท่ากับการที่พ่อกับแม่ได้ชื่นใจว่าลูกของพ่อกับแม่เป็นเด็กที่มีน้ําใจและกล้าหารยิ่งนักที่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นขอให้รู้ไว้เถอะว่าพ่อกับแม่าภาคภูมิใจในตัวของลูกเป็นที่สุดแล้วในปีใหม่นี้น้องอามรู้สึกสบายใจยิ่งนัก เมื่อได้ฟังคําของพ่อกับแม่เอ่ยเช่นนั้นและมาถึงตอนค่าครอบครัวของน้องอามก็ได้ไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านเศรษฐีน้องอามได้รับคําชื่นชมจากครอบครัวของท่านเศรษฐีและบรรดาชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากก่อนกลับบ้านวันนั้นท่านเศรษฐีได้มอบนาฬิกาพกเรือนทองให้แก่น้องอามเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยหลานคุณเล็กไม่ได้จากการจมน้ําตายเมื่อเช้านี้แม้นาฬิกาเดือนนี้จะเป็นนาฬิกาเดือนใหม่ ไม่ใช่สิ่งที่พ่อกับแม่อุตส่าห์เก็บไว้เพื่อมอบให้แก่ลูกแต่ถึงอย่างไรพ่อก็ขอให้ลูกจงรักษานาฬิกาเดือนนี้ให้ดีเพราะมันเป็นของขวัญที่ลูกสมควรจะได้รับเป็นอย่างยิ่งมันเป็นสิ่งที่จะเตือนใจให้ลูกได้ภาคภูมิใจในตัวเองและคิดที่จะประกรอบทําความดีต่อไปในภายภาคหน้าเตี้ยผู้เป็นพ่อเอ่ยขึ้นพลางจุมมือของลูกชายของเขาเดินกลับบ้านในคืนแรกของการเริ่มต้นปีใหม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำดียังไงก็ได้ดีครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากนิทานเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ